ได้ข่าวว่าชาวไฟฟ้ามามากมันเป็นรัฐวิสายกิจที่สนใจธรรมะนะดีผู้บริหารที่ฉลาดนะต้องให้ลูกน้องมีธรรมะถ้าฉลาดกว่านั้นตัวเองต้องมีธรรมะด้วย <c oughs> มันหลายยุคหลายสมัยผู้ปกครอง เอาธรรมะมาเป็นเครื่องมือปกครองภาพพจนของธรรมะเสียหายคนะจริงธรรมะจำเป็นสาหรับคนทุกคนคนไหนมีธรรมะนะคนนั้นร่มเย็นเป็นสุขใครอยู่ใกล้ก็ร่มเย็นเป็นสุขนะใครอยู่ใต้เราลงไปเขาก็ร่มเย็นเป็นสุขมันมีแต่กิเลสมันก็ร้อนมีแต่ความทุกข์ความทุกข์มันท่วมโลกไปหมดแล้วตอนนี้อันไปทางไหนก็มีแต่คนมีความทุกข์นะ ต่อสู้แย่งชิงกัดกันแทบเป็นแทบตายมันหาความสงบสุขไม่ได้บ้านเมืองเรามันเดินผิดพลาดไปสังคมเราแต่ก่อนมีธรรมะคนอยู่ใกล้วัดใกล้พระใกล้ศาสนาแต่ก่อนก่อนหลวงพ่อเกิดนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังผู้ชายต้องบวชทุกคนอะ คนไหนไม่บวชนี่ไม่มีใครเขาครบไม่มีใครเขา ย, ยกลูกสาวให้บวชนมาแล้วก็กินเหล้าเมายาได้นะแต่พอกินเหล้าไปแก้วสองแก้วต้องพูดธรรมะ ก, กันเขาเรียกว่าแก้วหนึ่งนงนุษยนะยังหวานอ่อนโยนสุภาพแก้วสองพุทธวาจาแก้วสามแก้วกล้าพูดจาองอาจ กินเหล้าขนาดกินเหล้าเมายานะอุตส่าห์พูดธรรมะกินธรรมะมันไม่ได้อยู่ในใจแต่ก็ยังดีกว่ายุคนี้นะไม่รู้จักธรรมะหลวงพ่อก่อนบวชมีวันหนึ่งดูรายการอะไรนะทวายไล้์โชว์ใช่ั้มมีัหมของคุณไทรพบนีเนะขาถามว่าใครเป็นพ่อของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะไอคนแข็งนะมันตอบเฉยเลยว่าเทวทัต เ น, นี่ยคาตอบสุดท้ายเลย <laughs> เทวทัศนต <laughs> คือถ้าเราไม่ศึกษาศาสนานะใครจะศึกษาล่ะชาวพุทธไม่ศึกษาธรรมมาแล้วใครจะศึกษาเราสู้ศาสนาอื่นไม่ได้นะ <laughs> อย่างพวกคริสต์นะ <laughs> เด็กๆอะไรเนี่ย <laughs> เขาต้องไปเข้าโบสถ์ใช่ไหมไปร้องเพลงแต่หลังๆเขาไม่เข้ากันเพราะว่าเขาเริ่มไม่เชื่อพระเจ้า ของเราสบายอย่างไม่มีพระเจ้าอย่าให้เชื่อของเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนั้นพิสูจน์ได้ตลอดกาลมุสล mm ิมเขาต้องละหมาดกันวันหนึ่งห้าครั้งของเราให้ไหว้พระสวมดมนต์มาละครั้งจะเป็นจะตายทำไม่ค่อยจะได้ mm hmm. ของเขาละหมาดวันละห้าครั้งเขาทำได้ถึงวันศุกร์มั้งเขาก็ไปมัสยิดกันผู้ชายอยู่ข้างในผู้หญิงก็อยู่ข้างนอกเขาแยกกัน มีประเพณีของเขาไม่เจอปนกันเรียบร้อยไม่ยั่วกิเลสของเรายั่วกิเลสนะเราบางคนมาวัดก็ยังแต่งตัวยั่วกิเลสยั่วกิเลสพระนั่นแหละยั่วกิเลสกันเองด้วยนะเดี๋ยวนี้ยังดีนะแฟชั่นมันเปลี่ยนก่อนหน้านี้ตอนหลวงพ่ออยู่สวนโพมันมีแฟชั่นอยู่ช่วงนะที่ใส่เสื้อสั้นๆนะแล้วก็ขอบกระโปรงขอบกางเกงเตีย้ย พอนั่งแล้วก็มีช่องว่างอยู่คืบหนึ่งพอนั่งแล้วก็ดึงนะดึงข้างล่างขึ้นอ่ะมันก็ไม่อยากขึ้นเอาดึงข้างบนลงนพอดึงข้างหน้าข้างหลังโผล่นะดูสิเรียนธรร ม, มะเรียนได้ยังไงใจฟุ้งซ่านใจมัวแต่ห่วงว่ามันเปิดหน้าเปิดหลังนนของคนอื่นเขาดีๆก็มีนะเขาปิดเรียบร้อยมีชิดหนึ่ง ไม่ยั่วกิเลส จ, จิตใจได้หมกมุ่นจดจ่ออยู่กับพระเจ้าอันนี้เรื่องดีๆเขาเราก็ต้องชมของเขาเดี๋ยวนี้ยังดีนะไม่มีมันหมดยุคละชาวพุทธต้องศึกษาธรรมะศึกษาแล้วต้องปฏิบัติเพราะการศึกษาธรรมะนะั้นมันมีศึกษาในขั้นปริยัติกับศึกษาในขั้นปฏิบัติเราเรียนปริยัติเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติเราปฏิบัติเพื่อให้ผลนทุกข์ ในธรรมะของศาสนาพุทธนี่มีเหตุมีผลทุกขั้นทุกตอนเราจะทำอะไรเราจะทำเพื่ออะไรเราจะทำอย่างไรทำแล้วมีผลเป็นยังไงตอบได้หมดเลยบอกได้หมดเลยโช่ๆๆๆเลยอย่างพวกเราสังเกตไหมมาถามอะไรหลวงพ่อหลวงพ่อตอบได้เรื่อยๆไม่ค่อยติดขัดทำไมล่ะเพราะว่าศาสนาพุทธนี่มันสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลถ้าเข้าใจแล้วนะ มันมองออกเลยว่าใครภาวนาอยู่ตรงไหนติดขัดอยู่ตรงไหนอยู่ในขั้นตอนไหนจะเดินต่อไปได้ยังไงไม่ใช่เรื่องประหลาดเรื่องอัศจรรย์อะไรแต่ว่าธรรมะของศาสนาพุทธสมบูรณ์เป็นสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลนะพิสูจน์ได้เห็นตามได้ไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อแต่ว่าลองพิสูจน์ดูศาสนาพุทธไม่ได้ศาสนาชวนเชื่อ เป็นาศาสนาที่บอกว่าพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดถ้าคนไหนไม่อยากลองก็แล้วไปคนไหนอยากลองจริงๆมาเสียจะมาคุยกันได้แต่ถ้าประเภทลองยึกๆยากๆหลวงพ่อก็ไม่เอานะอย่างบางคนมาเรียนกับหลวงพ่อช่วงหนึ่งนะกำลังดีๆดดขี้เกียจขี้คล้ายไปเรียนกับทางโน้นบ้างทางนี้บ้างเปลี่ยนไปเรื่อยๆเสียเวลาเราอย่างนี้ไม่เอาปล่อย อยากไปเรียนที่ไหนก็ไปเลยนะพระธรรมะนะต้องเด็ดเดี่ยวต้องจริงจังต้องทุ่มเทในการศึกษาธรรมะจริงๆสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลแต่คนซึ่งขาดเหตุขาดผลนะเรียนไม่ไหวหรอกอย่างธรรมะจะต้องช่วยตัวเองต้องพึ่งตัวเองนี่ไหมกิเลสทําให้เราอ่อนแอเราอยากพึ่งคนอื่นกระทั่งพึ่งครูบาอาจารย์สังเกตไหมที่หลวงพ่อสอนพวกเราหลวงพ่อสอนหลักของการปฏิบัติ รพระพุทธเจ้าสอนหลักของการปฏิบัติไว้เยอะเลยนะสอนหลักของการปฏิบัติเราต้องลงมือช่วยตัวเองลงมือทํเอาเองหนะลวงพ่อไม่ใช่ครูประเภทที่ซ่อนความรู้ไว้มาหาชันสิแล้วฉันจะบอกให้ทีละนิดหนึ่งเอาทีละนิดเดียวนะเยอะไม่ได้เดี๋ยวมันรู้มากหนะลวงพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเทศนาธรรมเนี่ยไม่มีอะไรซ่อนไว้ในกำมือเลยท่านเทศแบบเปิดเผยเลย อยู่ที่ว่าคนรับนั้นจะรับได้แค่ไหนต้องศึกษานะต้องศึกษาให้จริงจังแล้วเราจะพบความอัศจรรย์ธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ที่สุดสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลงดงามในเบื้องต้นในถ้ำกลางในที่สุดงดงามในเบื้องต้นคือชี้ทางให้เราเห็นปลอดโปร่งได้เลยเดินทางนี้นะเพราะอะไรเพราะอะไรเดินไปได้จะเจออะไรงดงามในถ้ำกลางนะระหว่างที่ลงมือปฏิบัติเนี่ย จิตใจควรจะดําเนินยังไงก็อธิบายได้ปฏิบัติแล้วนี่งดงามในที่สุดปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์ได้จริงๆสวยสดงดงามไม่เห็นอะไรบริสุทธิ์หมดจดงดงามเหมือนธรรมะเลยเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วงดงามจริงๆแต่ต้องช่วยตัวเองต้องพึ่งตัวเองอย่ามาพึ่งคนอื่นพึ่งครูบาอาจารย์อะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเลยหลวงพ่อเคารพครูบาอาจารย์นะรักครูบาอาจารย์แบบมอบกายถวายชีวิตเลย บางคราวครูบาอาจารย์สอนหลวงพูดุลนี่แหละสอนหลวงพ่อสอรสอ น, สอ น, ส, อนสอนธรรมะให้เราฟังนะเสร็จแล้วท่านถามว่าเชื่อไหมยังไม่เห็นจริ ง, งไม่เห็นจริงผมจะขอไปปฏิบัติดูก่อนท่านบอกมันต้องอย่างนี้สิเนี่ท่านหลอกเอานะท่านหลอกเรานะคือแต่ว่าเชื่อสิได้โดนเคกก บ, บาลหลวงพูดุลเป็นครูบาอาจารย์ที่โอ้โหไม่มีใครเหมือนเลยไม่เคยพบเคยเห็นนะย ฉลาดปลัดเปลือ ง, งจริงๆเวลาไปเรียนกับท่านนะแต่ว่าคนสมัยก่อนไปเรียนกับท่านเนี่ยมีไม่มากนะนานๆจะมีสักรายหนึ่งเข้าไปกราบท่านจะไปเรียนธรรมะเนี่ยท่านไม่สอนนะท่านจะหลับตาเงียบๆไปชั่วโมงหนึ่งโดยประมาณไปสืบประวัติแล้วว่าคนนี้ควรจะทํากรรมฐานอะไรพอลืมตาขึ้นมาท่านจะบอกกรรมฐานให้ บอกคําไหนคือคํานั้นละนะไม่มีคําที่สองละถ้าทําตามนั้นจะเห็นผลอย่างรวดเร็วเลยถ้าไม่ทําตามไม่ได้ผลเลยนี่อัศาจารย์จริงนะหลวงพ่อไม่เคยเจอครูบาอาจารย์องค์ที่สองเลยที่เป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์จะให้เราลองทําดนะูลองดูอย่างนี้ลองดูอย่างนี้นะทดสอบทดสอบดูจริตนใจดูอะไรเงี้ยแล้วทดสอบดูอันนี้เป็นครูบาอาจารย์ระดับสอง ครบาอาจารระดับสามก็คือฉันทํำยังไงแกต้องทําอย่างฉันระดับอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะดีกว่าไม่มีแต่ว่าได้ผลไหมไม่ค่อยได้ผลหรอกแต่ละคนต้องมีทางเฉพาะตัวเองทางใครทางมันบางคนต้องทําสมาธิก่อนไม่ทําไม่ได้ทําสมาธิแล้วต้องมาลูข่ายบางคนต้องลูข่ายเป็นส่วนๆบางคนรู้กายทั้งกาย บางคนรู้ความเคลื่อนไหวของกายบางคนรู้ความหมุนเวียนของธาตุแต่ละคนไม่เหมือนกันจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันบางคนรู้ทำสมาธิจิตถอนจากสมาธิมารู้เวทนาเห็นเวทนากายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งบางคนไม่ได้ทำสมาธิก่อนทำไม่เป็นก็ดูจิตเลย เห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับทั้งวันทั้งคืนดูไปดูไปจิตเกิดสมาธิขึ้นเองเพราะอะไรเพราะว่าสติปัญญาไปรู้เท่าทันนิวรณ์เมื่อสติปัญญารู้ทันนิวรณ์นิวรณ์ดับเมื่อนิวรณ์ดับสมาธิจะเกิดขึ้นเองนะเพราะศัตรูของสมาธิที่สิ่งที่ทําให้จิตใจเราขาดสมาธิคืนนอนิวรณ์มันทําได้หลายอย่างนะอันแรกทําด้วยสมถะนะน้ําจิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวไม่ให้คลาดเคลื่อนไป จิตที่มีวิตกตรึกอยู่ในอารมณ์มันเดียวนี่ไม่ฟุ้งซ่านใช่ไหมมันข่มความฟุ้งซ่านจิตมันเคล้าเคลียอยู่ไม่ฟุ้งซ่านในธรรมะค่อยดูไปดูไปใช่มมันข่มจิตใจมีปีติขึ้นมามีสุขขึ้นมาเนี่ยข่มนิวรณ์ต่างๆลงไปแต่ละตัวแต่ละตัวเป็นคู่คู่กันนะเป็นคู่ชกกันนะองค์ธรรมทั้งห้าตัวเนี่ยของของปฐมฌานมีคู่ปรับ การนิวรนเป็นตัวตัวเลยนี่พอเจริญสติรู้อารมณ์จนเกิดปฐมฌานขึ้นนิวรนสลายตัวไปแล้วไม่มีละเพราะมันสลายตัวไปปฐมฌานถึงเกิดอีกวิธีหนึ่งก็คือมีสติรู้ทันนิวรันเข้าไปเลยนิวรันอะไรเกิดขึ้นรู้ทันเข้าไปเลยนิวรันดับสมาธิก็เกิดเหมือนกันนี่หลายทางนะเห็นทางใครทางมันบางคนมีวาทะ ต้องทำสมาธิก่อนถึงจะดูจิตได้นะอย่างนี้ก็มีนะสมัยก่อนนะมีเยอะสมัยที่หลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลเนี่ยคําว่าดูจิตไม่มีคนรู้จักหรอกไปที่ไหนที่ไหนมีแต่คนดูกายเข้าไปตามสํานักต่างๆนะพอรู้ว่าเรียนจากหลวงปู่ดูลนะพวกพระนุ่มเน้ น, น้อยบางทีหัวร้อยยอดเลยนะเรียกหลวงตาดูลเลยเพราะว่าหลวงตาดูลภาวนาไม่เป็นหรอกต้องสอนให้ทําสมาธิก่อนสิ เราฟังแล้วก็เออพาอน้ไม่เป็นก็ช่างท่านเถอะแล้วแต่ท่านเถอะพอเราเข้าถึงตัวครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีองค์ไหนพูดอย่างนั้นเลยอาจารย์มหาบัวหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่แต่ละองค์แต่และองค์ไม่มีองค์ไหนเลยบอกว่าดูจิตไม่ได้ดูจิตแล้วผิดอะไรเงี้ยมีแต่สอนต่อยอดให้ทั้งสิ้นเลยตอนที่ท่านสอนต่อยอดให้นะพวกพระหนุ่มเน น, น้อยตกใจายเสียงว่า เอ้ยโยมทําได้ยังไงพระทำสิบปี20ปีทําไม่ได้ทาไมโยมทําได้ก็เพราะโยมเจริญวิปัสสนานะพวกท่านที่ว่า10ปียี่ปีทําไม่ได้เพราะท่านทําแต่สมถนะขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นไม่จะได้อะไรก็ได้สมถนะสมถะเอาไว้พักผ่อนเอาไว้อาศัยชั่วครั้งชั่วคราวนะแต่มาถึงวันนี้เปลี่ยนแล้วใช่ไหมนะมาถึงวันนี้ถ้าใครไม่พูดเรื่องดูจิตเฉยแหลกเลย เฉยเฉยระเบิดเติดเทิงมีการสอนดูจิตกันเกลื่อนกลาดไปหมดเลยเอาเข้าจริงไม่ใช่ดูจิตหรอกไม่ใช่ดูเพื่อจะรู้เพื่อเห็นนะส่วนใหญ่เลยที่พูดเรื่องดูจิตทุกวันเนี้ยดูภาษาอังกฤษดีโอดูนะไม่ใช่รู้นะไม่ใช่รู้จิตแล้วที่ว่าดูจิตนะไปทำํำไปทําขึ้นเช่นจิตฟุ้งซ่านนะก็ไปกําหนดให้มันนิ่งให้มันเงียบไปเลย หรือน้อมจิตไปอยู่ในความว่างความไม่มีอะไรอะไรเงี้บอกว่าดูจิตไม่ได้ดูจิตเลยนะไปดูความว่างไปดูความนิ่งไปดูความไม่มีอะไรไม่ใช่นะไม่ใช่การดูจิตดูใจนั่นก็คือดูให้รู้ทันไตรลักษณความเป็นไตรลักษณซึ่งแสดงอยู่ที่จิตค่อยๆเรียนนะค่อยๆศึกษาไปไม่ยากอย่างที่คิดหรอกแต่ก็ไม่ง่าย หลวงพ่อบอกเรื่อยๆแล้วว่ามันง่ายนะมันง่ายนะเขียนในหนังสือทางเอกยังบอกว่า ง, ง่ายเลยมีพระองค์หนึ่งท่านมาเรียนที่นี่ท่านเอาหนังสือของหลวงพ่อไปให้ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางยีสานดูท่านอ่านนะแล้วท่านก็บอกเลยท่านเห็นด้วยกับหลวงพ่อประมด ท, ทุกอย่างเลยไม่เห็นด้วยอยู่เรื่องเดียวมันยากนะมันยากพราวนั้นท่านก็กลับมาถามหลวงพ่อ ท่านอาจารย์ตกลงว่ามันยากหรือมันง่ายหลวงพ่อก็เลยตอบท่านนะวอาซื่อเลยนะ mm. มันยากเหลือเกินยากที่สุดที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาแต่มันไม่ยากเลยมันง่ายที่สุดเลยที่คนที่ตื่นแล้วจะบะรรลุมรรคผลนิพพาน mm. คนในโลกนี้ไม่มีคนตื่น mm. เมื่อก่อนพูดอย่างนี้จะพูดเสียงเบาๆนะ มันไม่มีคนตื่นล็อกในโลกแต่ดีนี้พยานเราเยอะนะคนที่ดูจิตดูใจจนตื่นขึ้นมานะมีเป็นพันๆ น, นับจำนวนไม่ถ้วนนะเป็นพยานให้หลวงพ่อได้อย่างหมอชาญชัยเมื่อวานมาบอกหลวงพ่อแล้วรู้แล้วว่าแต่ก่อนไม่เคยตื่นเลยรู้แล้วว่าความตื่นเป็นไงแต่วันนี้หลับไปอีกแล้วจิตมีโมหะดูออกไหมเี็น้อ เพรนั้นถ้าเราตื่นขึ้นมาได้นะไม่ยากละไม่ยากแล้วพอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นต้นทางที่จะเจริญสติปัฏฐานได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานได้ถ้าไม่ตื่นเราจะหลงอยู่ในโลกของความคิดถ้าเราหลงอยู่ในความคิดเราจะรู้กายตามความเป็นจริงไม่ได้เราจะรู้จิตใจตามความเป็นจริงไม่ได้แต่เมื่อไร่เราตื่นขึ้นมาเราหลุดออกจากโลกของความคิดเราจะเห็นกายตามความเป็นจริงเราจะเห็นจิตตามความเป็นจริง ภาวะแห่งความตื่นเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกวิธีที่จะตื่นเนีง่ายที่สุดเลยรู้ว่ากําลังหลับอยู่รู้ว่ากําลังหลงไปคิดอยู่รู้ว่ากําลังฝันทั้งๆ ท, ท, ที่ลืมตาอยู่นะเมื่อไหร่รู้ทันว่าจิตหลงไปคิดเมื่อ น, นั้นจะตื่นในฉับพลันมีครูบาอาจารย์วงหนึ่งชื่อหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนสอนดีมากหลวงพ่อเทียนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติทําไมได้ต้นทาง เพราะทันทีที่รู้ว่าจิตคิดจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวมาอยู่ในของจริงแท้ๆในปัจจุบันเนี่ยจิตจะมาอยู่กับของจริงในปัจจุบันเนี่ยถัดจากนั้นก็เจริญสติทําสติรู้กายสติรู้ใจนี่เป็นขั้นวิปัสสนาแล้วมีสติรู้กายมีสติรู้ใจเบื้องต้นก็เป็นสมถะเหมือนกันถ้าไปเพ่งกายเพ่งใจแต่พอรู้กายรู้ใจแล้วก็ปล่อยนะ จิตเราอยู่ตางหากจิตเราตั้งมั่นอยู่ต่างหากปล่อยให้กายให้ใจมันทํางานไปเราจะเห็นไตรลักษณ์การที่เห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์เรียกว่าปัญญาจำไว้นะปัญญาในาศาสนาพุทธไม่ใช่เรื่องอื่นปัญญาก็คือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเราจะเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้เราต้องไม่ไปเพ่งไว้จิตของเราต้องอยู่ต่างหากจิตตั้งมั่นอยู่ท่างหากจิตซึ่งตั้งมั่นอยู่ตางหากเรียกว่าสัมมาสมาธิ เรียกว่าจิตมีสัมมาสมาธิเงั้นถ้ามีสติอย่างเดียวนะรู้กายรู้ใจไม่ลืมกายไม่ลืมใจได้สมถ ะ, ะจำไว้นะแต่ถ้าจิตเราตั้งมั่นออกมาเราเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานจิตไม่หลงเข้าไปแทรกแสงเราจะเห็นไตรลักษณ์นั่นคือวิปัสสนาต้องชัดนะอยากทําวิปัสสนาแต่ไม่รู้ว่าวิปัสสนาคืออะไรเนี่ยหน้าอาเนกอานาถที่สุดเลย คนที่น่าอานาถอยู่22ปีคือหลวงพ่อประโมดนี่แหละหลวงพ่อหัดทํากรรมฐานมาแต่ดเด็กนะเจ็ขวบทําอานาภนาสติหวังว่าวันหนึ่งจะพ้นทุกนะทำทุกวันเลยทำไปทุกวันทุกวันสงบแล้วอีกช่วงหนึ่งก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็สงบสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านมีอยู่เท่านั้นห น, หนั่นเอมีอยู่เท่านั้นแหละ มีแต่ของเล่นเล่นของจริงไม่มีรู้โ น, โน่นรู้นี่เห็นโน่นเห็นนี่เห็นจริงก็เปล่าก็ไมรู้กิเลสมันพาเห็นทั้งสิ้นเลยนะขึ้นวิปัสสนาไม่ได้อยากได้มักได้ผลนะแต่ทำวิปัสสนาไม่เป็นไม่มีทางได้เลยนะช่วมาเจอหลวงปู่ ด, ดูล น, นะท่านสอนให้ดูจิตดูใจของเราท่านบอกให้ดูท่านบอกให้ดูาดคาว่าดูมีความหมายเยอะนะคาว่าดู เหมือนเราเป็นคนดูละครดูหนังดูละครผู้ดูไม่ใช่ผู้แสดงใช่ไหมผู้แสดงไม่ใช่ผู้ดูเั้นถ้าเมาื่อไรเรากระโดดลงไปเล่นเองเช่นจิตกโกรธเราหาทางทำให้ไม่โกรธนี่เราแสดงเองแล้วจิตหลงหาทางทำให้ไม่หลงนี่แสดงเองแล้วไม่ใช่ผู้ดูแลเป็นผู้แสดงหรือเป็นผู้ประพันเป็นนักประพันเขียนบทละครใช่ไมนี่ก็ไม่ใช่ผู้ดูเขียนบทละครทำไง พิจารณาไปคิดไปนะทําอย่างนี้นะเราจะได้ดีทําอย่างนี้แาจะอย่างนี Welt ้อย่าทำอย่างนี้อย่งนี้เนี่ยหลงอยู่ในโลกของความคิดแทนที่จะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแล้วก็คิดไปเรื่อยเลยทยังไงเราจะดีทํำยังไงเราจะดีพวกเรารู้สึกไหมทุกวันที่เราภาวนาเนี่ยเราถามตัวเองอยู่เรื่อยๆทำยังไงจะดีกว่านี้หรือออกไหมทํายังไงจะถูกทํำยังไงจะดีรู้ตัวไปนะว่ากําลังเป็นนักประพันธ์แล้วไม่ใช่ผู้ดูแล้วนะ เป็นนักแสดงก็ไม่ได้นะเป็นนักประพันธ์ก็ไม่ได้เป็นผู้กํากับก็ไม่ได้จิตจะโกรธห้ามโกรธจิตจะโลภห้ามโลภจิตจะหลงห้ามหลง ürlich. กํากับตลอดเลยนะกำกับต้องอย่างนี้ห้ามอย่างนี้ต้องอย่างนี้ห้ามอย่างนี้พวกเราปฏิบัติมีไหมในใจเราต้องอย่างนี้สิห้ามอย่างนี้สิเฮ้ยต้องมีสตินะห้ามเผลอนะต้องดีนะห้ามชั่วต้องสุคนะห้ามทุกในใจเราจะเวี่ยงอยู่อย่งนี้เห็นไหมเราไม่ใช่ผู้ดู ัที่ว่าดูๆนะเอาข้อจริงครับยังไม่ค่อยได้ดูหรอกถ้าดูจิตอย่างแจมแจ้งอริยมรรคจะเกิดตอนนี้ทําไมไม่เกิดเราไม่แจ้งอันแรกเลยไม่ได้ดูข้อสองสิ่งที่ดูไม่ใช่จิตข้อสามถึงดูจิตเห็นก็ไม่แจมแจ้งไม่แจมแจ้งคือไม่เห็นไตรลักษณ์ต้องค่อยๆฟังนะฟังแล้วทํำลายขวัญรีพิลึกเลย <laughs> ไอ้นั่นก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดแล้วทํำยังไงจะถูกทําอะไรก็ผิดรู้ลงไปรู้ลงไปทําตัวเป็นแค่ผู้รู้นะเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูดูกายมันทํางานดูจิตมันทํางานดูมันไปเรื่อยๆทาตัวเป็นผู้ดูแล้วก็ไม่ทําตัวเป็นนักวิจารณ์เออไอ้นี่เหมาะสมแล้วไอ้นี่ไม่เหมาะ เห็นหเรามีความวิจารณ์อยู่ใช่ไหมมีการวิจารณ์ต่อภาวนาบางทีก็วิจารณ์ตัวเองนะโอ้ทำไมมันขี้โมโหอย่างนี้วะมันเร็วอย่างนี้เมื่อไหร่มันจะบรรลุวะมีผ้าวิจารณ์ต่อดังนั้นผู้ดูนะไม่ใช่ผู้เขียนบทใช่ไหมไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่นักผู้กำกับไม่ใช่นักวิจารณ์ลองไปสำรวจใจเราเราเป็นนักประพันธ์ไหม เราเป็นนักแสดงไหมเราเป็นผู้กำกับไหมเราเป็นคนวิจารณ์ไหมหรือเราเป็นผู้ดูใครยรู้ทันตัวเองเรื่อยๆนะรู้ไปถ้าเป็นผู้ดูนะใจอยู่ต่างหากเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานนะไม่เข้าไปแทรกแสงนะไม่ใช่อยากดูด้วยนะสติะระลึกเองรู้เองรู้เอ ง, เ, องเป็นเองระหว่างรู้ระหว่างเห็นไม่กระโจนลงไปนะพอรู้แล้วเห็นแล้วไม่แทรกแสงไม่ดัดแปลงไม่แก้ไขนะ รู้อย่างที่เขาเป็นจิตมันโกรธรู้ว่ามันโกรธไม่ต้องมาถามหลวงพ่อว่าจิตมันโกรธแล้วจะทำยังไงในใจคิดอยากทำอยากทำเนี่ยไม่ใช่รู้แล้วจบลงที่รู้แต่อยากทำก็ใช้ไม่ได้ดงนั้นเราคอยศึกษาไปนะศึกษาสำรวจใจเรามันเป็นนักอะไรบ้างแต่นักที่ลำบากอีกนักหนึ่งนะคืออะไรรู้ไหมนักปฏิบัต ถ้าภาวนากับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งจะรู้ว่านักปฏิบัติเนี่ยแสนสาหัสเลยวางฟอร์มใช่ไหมพระเจ้าบอกว่าพิสูจนทั้งหลายให้ครูบรรลังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรั่วาหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรั่หายใจเข้ายาวสอนแค่นี้ของเราเหรอ <c oughs> เอาหราืว่าจะปฏิบัติล <c oughs> นะร่างกายก็ต้องเคร่งเครียดขลึมขล่ม จิตใจก็ต้องขลุ่มหายใจแล้วนะเมืม่อไหร่จะบรรลุนะยังไม่บรรลุอีกนะไม่บรรลุหรอกนะเราไม่ได้ทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอดหรือไม่นะเอาละรู้ละลมกระทบจะงอยปากละลมกระทบจมูกละนะลมกระทบเพดานละลมกระทบคอละนะลมกระทบถึงหน้าอกละลมกระทบท้องละ น, นี่ไล่ไล่ พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าว่าให้รู้การกระทบกี่แห่งกี่แห่งพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนหรือเดินจงกรมพระพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่พูดแค่นี้เองท่านสอนไมมว่าเดินมีกี่ท่าท่านสอนไมมว่าเดินท่าไหนท่านสอนไมมว่าหนึ่งเก้ามีกี่จังหวะท่านไม่ได้สอนเราชอบทาสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอน ตอนสังคายนาครั้งแรกนะพระมหาเถระซึ่งเป็นพระอราหันต์หองค์ท่านลงมติบอกว่าพวกเราสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเราจะไม่ถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วเราจะไม่เติมสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติถอนเปล่าตอนนี้เติมไหมวันนี้เราไม่ใช่ชาวพุทธแท้ๆหรอกนั้นเราเป็นชาวพุทธเทียมเราต้องศึกษานะ เรียนปริยัตเรียนปริยัตเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติลงมือปฏิบัติต้องรู้ว่าขณะนี้ปฏิบัติสมถะขณะนี้ปฏิบัติวิปัสสนานะลงมือปฏิบัติแล้รู้เป้าหมายด้วยสมถะทําไปเพื่อพักผ่อนไม่ใช่ทําให้บรรลุมรรคผลวิปัสสนาทําเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจไม่ใช่เพื่อบรรลุมรรคผลเหมือนกันอย่าหวังมรรคผลนิพพานถ้าหวังมรรคผลนิพพานจะไม่ได้นะเป็นเป้าหลอกหลอกในใจเราไว้นะ เราลืมๆืมมันไปเวลาที่ลงมือปฏิบัติรู้มันลงไปเลยรู้กายอย่างที่มันเป็นรู้ใจอย่างที่มันเป็นในความเป็นจริงนะถ้าเราหัดรู้จิตรู้ใจของเราไปเรื่อยๆความรู้ทั้งหลายนี้จะเกิดขึ้นเองจําไว้นะแต่ความรู้ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเองเนี่ยอาจจะพูดภาษาของเขาไม่เป็นเราก็ต้องไปอ่านตําราปริยัติว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าไม่ใช่อ่านตําราปริยัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่มีทางหรอก ลงมือปฏิบัติไปนะจะเห็นสภาวะจริงๆแล้วอาจจะมาเทียบเข้ากับปริยัติได้ตรงกันเป๊ะเลยต้องปริยัติชั้นเดิมนะปริยัติเฟือเฟือชั้นหลังใช้ไม่ได้นะปริยัติชั้นหลังเรียกอัตโนมัติอัตโนมัติคือแต่งขึ้นเองคิดขึ้นเองจินตนาการขึ้นเองเกินสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไปมากมายเลยเนื้อ ง, งอกบังของจริงไปแล้วนะเห็นเราครยมีสติขึ้นมานะ เครื่องมือสําคัญสองตัวมีสติกับสัมมาสมาธินะมีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นมีสัมมาสมาธิด้วยจิตที่ตั้งมั่นก็จะเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจเมื่อเห็นตามความเป็นจริงจิตจะเบื่อหน่ายเมื่อจิตเบื่อหน่ายจิตจะคลายกำหนัดคลายความยึดถือเมื่อคลายความยึดถือจิตจะหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นจิตจะรู้ว่าหลุดพ้นแล้วะจะมีสร้อยต่อท้ายอีกนะ ถ้าเราไม่ใช่พระอราหันต์เราฟังเราก็อย่า ง, ง, น, างนั้นๆแต่ถ้าเป็นพระอราหันต์ฟังแล้วจิตใจจะคึกคักร่าเริงในธรรมอ่ะท่านบอกว่าบรรลุพระอราหันต์นะด้วยปัญญาวิมุตต์และเจโตวิมุตต์อันไม่กำเริบกลับทั้งสองอย่างนะไม่ใช่บรรลุ ด, ด้วยอันเดียวด้วยปัญญาวิมุตต์และเจโตวิมุตต์อันไม่กำเริบกลับชาติสิ้นแล้วพรมจันทร์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่จบแล้วกิตที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีก การที่ประหารกิเลสแล้วไม่กลับเกิดกิเลสขึ้นมาอีกเนี่ยเรียกว่านิสรณะนิโรดนิโรดมี5้าตัวนะตัวสุดท้ายชื่อนิสรณะนิโรดนิสรณะหมายถึงหมดเยื่อใ่เลยขาดแล้วขาดเลยไม่มีขึ้นมาอีกแล้วนั้นเราภาวนานะเรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแล้วเราจะคลายความยึดถือเราจะเบื่อมันไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยกลายกับใจเป็นตัวทุกข์ เพราะรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำนัดคือคลายความยินดียินร้ายคลายความยึดถือในกายในใจเพราะไม่ยึดถือในกายในใจก็จึงหลุดพ้นจากกายจากใจจิตถอดถอนตัวเองออกจากขันถอดถอนตัวเองออกจากรูปนามกายใจรูปนามกายใจมีอยู่ตามเหตุตามปัจจัยที่ยังส่งผลอยู่ตามวิบากที่ยังส่งผลอยู่แต่จิตนี้ไม่เข้าไปเสพเลย จิตพากออกจากขันนะจิตพากออกจากขันแยกออกจากขันจิตอยู่ต่างหากจากขันจิตครอบคลุมขันด้วยนะมันไม่ใช่แยกชั้นอย่างนี้นะไม่ใช่แยกเป็นสองชั้นะอยู่ด้วยกันอย่างเนี้ยแต่ว่าไม่สัมผัสกันอยู่ด้วยกันแต่ไม่สัมผัสกันอยู่กับโลกแต่ไม่สัมผัสโลกไม่ใช่อยู่ผลโลกออกไปแปดโมงพอดีนะเทศได้แค่นี้แหละวันนี้หมดความรู้แะนะจะกลับบ้านก็เชิญนะ เราเชิญไปทานข้าว